ทรงรู้แจ้มแจ้งในความว่างจากอัตตาตัวตนในธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและทั้งที่เป็นวิสังขารไม่ใช่สังขารคือนิพพาน ทรงรู้ในความที่ไม่มีนิมิตคือไม่มีความเที่ยงที่จะพึงมมีนิมิตหมายอยู่ในสังขารทั้งหลายทรงรู้ในความที่เป็นทุกข์ไม่มีสุขตั้งอยู่ในสังขารทั้งหลาย ได้ทรงมีวิชาวิมุตตความรู้ความพ้นซึ่งเรียกว่าความรู้พ้นรวมกันอย่างสั้นๆเป็นวิหารธรรม คือเป็นธรรมะเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงหักกิเลสได้ทรงดับกิเลสได้ทรงหักใจได้ทรงดับใจได้ ดังที่ได้แสดงมาแล้วและทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนก็ทรงจำแนกแจกแสดงธรรมะที่ทรงได้คบหาปฏิบัติส่องเสพ กระทำให้มากมาแล้วนั่นแหละเพื่อที่เวนายนิกรคือหมู่แห่งชนที่พึงแนะนำได้จะได้ปฏิบัติ เพื่อหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจนั่นเองแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความที่มาตั้งใจปฏิบัติเสพครบกระทำให้มาก ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อให้ได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณคือความอย่างรู้ที่เห็นแจ้ง หรือยานทัศนะความรู้ความเห็นในสัจจะคือความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติเจาะแทงขบคิดลงไปที่จิตนี้ให้รู้จักจิตนี้ ตามความเป็นจริงการที่จะรู้จักจิตนี้ตามความเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแล้วมาปฏิบัติ นั่นเองพระองค์ได้ทรงสั่งสอนที่จากได้ความรู้ที่จอดแทงเข้าไปในจิตเพราะฉะนั้น จึงจะได้กล่าวย้ำถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายคำว่าจิตนี้ก็เป็นคำที่เป็นบัญญัติ เป็นภาษาบัญญัติเรียกถึงธาตุรู้ที่มีอยู่ในทุกๆบุคคลซึ่งเมื่อเรียกว่าธาตุรู้ มีพระพุทธภาสิทธะเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุรูเมื่อทรงแสดงถึงว่าบุรุษสตรีทุกคนนี้มีธาตุหกคือธาตุนินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศ คือช่องว่างและมีวิญญาณธาตุคือธาตรู้สำหรับธาตุห้าขั้นต้นเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวแต่ว่ามีสรีระ คือรูปร่างเป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่เห็นได้ได้ยินได้ถูกต้องได้เป็นต้นส่วนวิญญาณธาตาุารูปไม่มีสรีระรูปร่างสันฐาน ซึ่งมีคําเรียกอีกคาหนึ่งว่าจิตซึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสว่าเอาไว้ว่าจิตนี้ไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานมีครูหาคือท่ำเป็นที่อาศัย าอาจารย์ได้อธิบายว่าคำว่าคู่หาคือธรรมเป็นที่อาศัยนั้นก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีกายและจิตธาตุห้าขั้งตนรวมมเข้าเป็นกายือรู ป, ปรกายวิญญาณธาตุก็เป็นจิตจิตมีความหมายถึง วิ ญ, ญาณธาตุธาตุรู้ที่มีอยู่ในกายนี้อาศัยอยู่ในกายนี้และจิตนี้ที่เป็นตัวธาตุรู้ก็มีความรู้มีความคิด เพราะฉะนั้นแม้ความรู้และความคิดนี้ก็ในประจิตอีกเหมือนกันแต่ว่าจิตที่เป็นตัวความรู้หรือความคิดนี้เป็นจิตที่เป็นอาการส่วนจิตที่เป็นทานรู้เป็นจิตที่เป็นตัวตั้ง หรือตัวเดิมและจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิมนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีสรีระรูปร่างสันธานดังที่ได้อ่างพระพุทธภาษิตมานั้น แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอาการออกมาเป็นความรู้ความคิ ด, ดเรียกว่าจิตอีกเหมือนกันและจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิม ซึ่งเป็นธาตุรู้ดังกล่าวนั้นมีเรียกในอภิธรรมว่าผวังขจิตคือจิตที่เป็นองค์ของพพก็เพราะว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นตัวเดิม ดังกล่าวเป็นภูรูแต่ว่าเป็นภูรูที่ยังมีพบมีชาติเพราะฉะนั้น ยังต้องมาเกิดดังที่เมื่อมาเกิดอยู่ในหมูสัตว์คือหมูผู้ที่ยังคลองอยู่ติดอยู่เป็น มนุษย์เป็นเทพคูยังท่องเที่ยวอยู่ในกาลมคุณหรือว่าเป็นสัตว์ในฉานสัตว์นรก เป็นเปรตอสุรกายเป็นพวกผีทั้งหลายซึ่งเป็นพวกอบายภูมิก็เรียกว่ายังอยู่ในกามาภพเมื่อปฏิบัติสมาธิในรูปฌปาน ไปเกิดในชั้นพรหมที่เป็นรูปประพรมก็เรียกว่ารูปประพบทำสมาธิไดอารูปประชานไปเกิดในรูปประพรมก็เป็นรูปประพบะฉะนั้นจิตที่เป็นตัวภู้รู้ ซึ่งยังท่องเที่ยวอยู่ในการมาพบรูปประพบอรูปภระพบดังนี้ก็เป็นาวางังคะคือยังเป็นองค์อวียะของภพก็คือยังเป็นจิตที่เป็นธาตุรู้ เป็นภูรู้ที่ยังเป็นภูรู้หลงยังประกอบในอวิชชาตันหาอุปาทาดทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตเช่นนี้ยังยังเป็นพวังคจิตยังเป็นองค์ประกอบของภพชาติ ต่อเมื่อได้ปฏิบัติหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจได้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะดับภพดบับชาติ ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็ดับภพบดับชาติต่อไปได้ไม่ไปเกิดในภพชาติอื่นต่อไปอีกก็เป็นอันวันดับภวังคจิตต่อไปได้แต่ว่า พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังทรงดำรงพระชนอยู่ดำรงชีวิตอยู่ยังไม่ดับขันธปรินิาพานก็ยังต้องอาศัยวิบากขันวิบากภวังคจิต ตึงสืบเนื่องมาอยู่ต่อไปจนดับขันทบบริิภานก็เป็นอนันมาเสร็จสิ้นสุดสิ้นเพราะฉะนั้นจิตที่ ยังเป็นผวังกจิตยังเป็นองค์ประกอบอยู่ของภพชาติคือจิตที่ยังมีกิเลสดังนี้แหละตึงจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะได้ดับใจหรือว่าหักใจดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดูวิปัสนาญาณญาณคือความอย่างรู้ที่เห็นแจ้งลงไปที่จิตนี้เองในการที่จะจับจิตดูจิต ก็ดูได้ที่ความรู้ความคิดของตนเองแม้ว่าจิตจะไม่มีสรีระสัณฐานมองเห็นด้วยตาไม่ได้ฟังด้วยหูนี่ไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ว่า รู้ได้รู้ได้ที่ความคิดความรู้เพราะทุกๆุกคนย่อมมีความคิดความรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อยังตื่นอยู่ไม่หลับหรือแม้หลับฝันก็ยังมีความรู้ความคิดอยู่ในฝัน และเมื่อรู้เมื่อคิดอย่างไรตนเองก็ยอมรู้ว่าเรารู้อย่างนี้เราคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องจับดูเราดังที่กล่าวมานี่คือที่แรกดูจิต ความคิดความรู้ของจิตก็ยอมจะรู้ว่าเราคิดอย่างนี้เรารู้อย่างนี้หรือว่าเรากำลังคิดอย่างนี้เรากาลังรู้อย่างนี้จึงเนื่องมาถึงเรา จึงต้องจับดูตัวเราว่าตัวเราที่ว่าเราคิดอย่างนี้เรารู้อย่างนี้ตัวเราที่ว่านี้คืออะไรที่แรกก็ต้องรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก่อน ก็เป็นสมมติบัญญัติเป็นภาษาที่พูดกันเมื่อหมายถึงตนเองก็พูดว่าเราเข้าไปเจ้าเป็นต้น สมมติบัญญัติที่เป็นภาษาพูดแล้วก็เป็นภาษาที่เข้าใจกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสเทศนาก็ต้องทรงใช้ภาษาที่เป็นสมมติบัญญัตินี้ดังเมื่อที่จะ ตรัสถึงพระองค์เองก็ต้องรับสั่งว่าเราเป็นรับสั่งว่าเราเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้น และในการทรงแสดงธรรมะที่เป็นสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติก็ต้องทรงแสดงยกเอาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาแสดง จึงตแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนหรือว่าเราเป็นที่พึ่งของเราตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเพราะฉะนั้นเรานี่จึงเป็นสมมติบัญญัติและนอกจากเป็นสมมติบัญญัติแล้ว ก็ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเป็นอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวเราดัานั้นจึงต้องทําความเข้าใจในตอนนี้ว่าเราเป็นสมมติบัญญัติและเราเป็นอุปาทานคือความยึดถือ ยึดถือว่าเป็นเราจึงตป็งค้นต่อไปอีกว่ายึดถือซึ่งอะไรว่าเป็นเราก็ต้องตอบตามพระพุทธภาษิตว่าก็ยึดถือขันธ์ทั้งห้าคือกองรูปกองเวทนา กองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่แหละว่าเป็นเราสามัญชนต้องมีความยึดถืออยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปาทานาขัน ขันเป็นที่ยึดถือและขันห้านนี้ย่อเข้าก็เป็นนามรูปเพราะฉะนั้นจึงอาจเรียกได้ว่าอุปาทานานามรูปนามรูปเป็นที่ยึดถือนั่นเอง ตามที่กล่าววันนี้จะเห็นได้ว่าในวิธีพิจารณาธรรมะเพื่อให้ได้วิปัสสนาญาณความอย่างรู้เห็นแจ้งหรือญาณทัศนะความรู้ความเห็นอันเป็นตัวปัญญาในพุทธศาสนานั้น ตั้งตนดังที่แสดงแล้วว่าพิจารณาดูจิตก็คือดูความรู้ความคิดเมื่อดูก็รู้ว่าเรารู้เราคิดอย่างนี้อย่างนี้จึง ก้าวไปพิจารณาถึงเราเราคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพุทธเจ้านำนั่นแหละก็จะได้ทราบตามแบบพุทธเจ้า ว, ว่าอยู่ที่สมมติบัญญัติ อยู่ที่อุปาทานความยึดถือจึงมาถึงอุปาทานความยึดถือก็สืบต่อไปอีกว่ายึดถือซึ่งอะไรก็คือซึ่งขันห้าหรือซึ่งนา ม, มารูปวิธีที่พิจารณาดังนี้แหละคือเรียกว่าเจาะแทง คือคบคิดหรือว่าทำวิจัยเลือกเว้นธรรมนั่นเองสอบเข้ามาที่ตัวเองอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำเพราะฉะนั้นก็ท้าพระพุทธเจ้าในเสด็จนำดำเนิน ข้างหน้าของผู้ปฏิบัติก็ตามเสด็จพระองค์ต่อไปว่าเมื่อมาพบเจาะเข้ามาแทงเข้ามาจนถึงอุปาทานนัขันหรืออุปาทานนามรูปดังนี้แล้วก็เจาะแทงเข้ามาดูตัวนามรูปว่าอะไร ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเสด็จนำไปข้างหน้าอีกเหมือนกันนมก็คืออาการที่จิตซึ่งเป็นตัวเดิมซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นภูรู้ดังกล่าว ซึ่งเป็นผวังขจิตจิตที่เป็นองค์ประกอบของภพเพราะว่ามือมาเกิดก็ต้องอยู่ในการมาพบรูปบภพบอารมณ์ภพบดังกล่าวนั้นจิตที่เป็นตัวผวังขจิตนี้